อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็นำรายการธรรมรารับรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าเราจะเปิดรายการของทางสถานีด้วยรายการธรรมารับอรุณค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเราต้องการนำธรรมะดีๆให้เป็นการต้อนรับหรือว่ารับอรุณให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆ ท, ท, ท่านค่ะ และเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่าเดือน8ค่ะซึ่งในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายการธรรมารัปรุณนั้นก็จะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะระหว่างาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์องค์ที่เป็นผู้มยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเก้น ตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโศหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วประเทศทีเดียวนะคะ ค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์ที่สองของเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาในเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านสนใจทีเดียวนะคะก็คือเรื่องของการที่จะมีการบรนประชาหรือว่าบวชพระใหม่เนี่ยคะ่ะนะคะจะถามอะไรบ้างนั้นเนี่ยเรามากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูุ์พระอาจารย์รของเรากันก่อนดีไหมคะท่านผู้ฟังคะกราบน้มัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยอมอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะเจ้าค่ะซึ่งคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะ่า ใ, ในช่วงเนี้ยซึ่งเรารู้แล้วว่าตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ย เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะเจ้าคะ<ช>่ะสิ่งที่เกิดในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการที่เราจะอาจจะได้รับการเชิญอะไรต่างๆให้ไปร่วมพิธีบวมสมบทเจ้าคะ่ะบวชพระใหม่เนีเจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็เลยโยมขอถามนะเจ้าค่ะเพื่อเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังว่าทําไม ถึงได้มีการบรนประชาหรือว่ามีการบวชพระกันเยอะนะเจ้าคะ่ะมีพร ะ, ระใหม่เกิดขึ้นเยอะในช่วงเข้าบรรษาเนี่ยเจ้าคะ่ะในสมัยพุทธกาลนี่เกิดมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยไหเจ้าคะ่ะนิมน์เจ้าคะ่ะ <c oughs> เอ่อเท้าความนิดหนึ่งว่าตั ว, ต, วตัวธรรมายเองเหมือนกันก็บวชในช่วงเข้าบรรษาเหมือนกันนะจริงๆแล้วอเจ้าคะ่ะเจ้าคมันก็เป็นเป็นแบบว่าเขาเข า, เขาทำตามตามกันมาในในสมัยนี้นะเจ้าค่ะแต่จริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ย ความที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณเินใจมันเลิศมากจริงจมันเลิศหรูอลักลงการคือคืออย่างสมมตินในวันเข้าพรนษาวันอ า, าสาฬหาบูชา ว, วันวิสาขะ ว, วันมาฆบูชาอะไรต่างๆเนี่ยนะในสมัยพทุทธกาลเนี่ยก็ไม่มีการฉลองแะไม่มีบันทึกไวในในพ ร, พระไตรปิฎกเลยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใหญ่สุดแล้วไง พระเจ้าอยู่แล้วคือจบเลยคุณไม่จำเป็นต้องมาฉลองวันเกิดพระเจ้าอีกพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาฉลองว่าอันนี้มันวันอาสาฬหบูชาวันแสดงธรรมจักอีกไม่ต้องเลยเพราะพระเจ้าอยู่ที่นี่แล้วนั่นคือความที่มีพระเจ้าอยู่เนี่ยมันทําให้แบบว่ามันยิ่งใหญ่มากคือคนก็บวชกันตลอดเวลาไม่ได้ว่าจะต้องมาบวชเฉพาเข้าพรรษาบางน่านเถอะอืมค่ะทีนี้ว่าอย่างอย่างในเมืองไทยเนี่ยก็คงจะทํามาเพราะว่ามีกษัตริย์เนี่ยเขาเขาทํามากษัตริย์เนี่ยเป็นตัวอย่าง ในการทำเช่คคนมาบวชใช่ไหมก็เลยทําให้มีลูกหลานเนี่ยออกบวชตามอย่างเงี้ยนะคคก็คงจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็บวชที่เข้าพรรษาก็คงจะเป็นว่าเออได้ศึกษาอย่างเต็มที่นะเพราะหลายวัดเนี่ยเขาก็จัดให้มีการเรียนการสอนนะการสอบการเรียนหนังสืออะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่นอกเหนือจากการอยู่นอกพรรษาคือนอกพรรษาเนี่ยก็จะไม่ได้มีการทําความเพียรอะไรที่เป็นรูปแบบชัดเจน ก็เลยคงเป็นความนิยมว่างั้นก็มาบวชในพรรษาแล้วกันจะได้จะไ ด, ได้ได้ประโยชน์มากในช่วงการการเรียนเป็นต้นก็คือทั้งเรียนธรรมะเรียนบาลีอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าคะตัวเรื่องเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะใช่ตัวมาเองนะตอนบวชวแรกเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเออเราบวชนอกพรรษาเอเขามีการสอนอะไรไหมนะไปตรวจสอบข้อมูลดูที่ว่าบางวันก็มีการสอนอยู่แต่ว่าไม่เป็นไม่ได้ลึกซึ้งละเอียดเท่ากับช่วงในพรรษาเอานั้นเราก็วางแผนบวชในพรรษาดีกว่าเจาค่ะ ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงอะไรตอนนี้เป็นช่วงเข้าพรรษามาแล้วเราเข้าพรรษามาตั้งแต่วันที่สนะเราเข้าพรรษามาได้อาทิตยหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ยังเป็นพรรษาอยู่คือพรรษาเนี่ยพระเจ้าอนุญาตพรรษาพรรษาเนี่ยคือช่วงสามเดือนใน4เดือนนี้คือสเดือนฤดูฝนเนี่ยมันจะมีสองพรรษาคือหมายว่าสองช่วงเขาเรียกภาษาพรรษาแรกกับพรรษาหลังพรรษาแรกเนี่ยคือช่วงสามเดือนแรกของ4เดือนฝน พรรษาหลังคือช่วงสามเดือนหลังของสี่เดือนฝนนี้นะก็คือถ้าพูดพูดกันตั้งแต่นะตามตารางเวลานะก็สามสิงหาเป็นต้นไปนะจนนับไปสามเดือนนี่คือพรรษาแรกนะแต่ถ้าเป็นวันที่เดือนเดือนเก้า ว, วันที่หนึ่งหนึ่งกันยายนนะเป็นต้นไปนับไปอีกสามเดือนนั่นคือพรรษาหลังออืเพราะฉ ะ, ะนั้น ตัวอาตมาเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เรามาบวชเนี่ยเราก็จะกลับว่าจะมาบวชพรรษาพร้อมกับคนอื่นเนี่ยแหละนะแต่ว่าเราบวชไม่ได้มันมาไม่ทันยังทํางานอยู่น ะ, ะก็เลยก็เลยต้องเลื่อนมาบวชพรรษาหลังแล้วนเะมื่อเรารู้ข้อมูลว่าออกพรรษาหลังมันก็มีคือหลังกันยาไปแล้วนะเจ้าค่ะก็คือช่วงสามเดือนสามเดือนอที่สองเจ้าค่ะคือมันมีสี่เดือนใช่ไหมถ้าสมมติ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่รับหนึ่งสองสามอันนี้คือพรรษาหนึ่ง รเรา <Okay. S 1> จะนับสองสามสี่อันนี้ก็เป็นพรรษาหนึนนะ่งเจค่ะเจ้าค่ะที น, นี้ว่าเวลาบวชเข้ามาแล้วนะก็ต้องพูดถึงคุณในสมบัติของผู้ที่จะบวชก่อนนะว่าคุณก็ต้องมีคุณสมบัติตามที่พระเจ้าบัญญัติไวา้นะมีแขนมีขามีโอัยวะครบแล้วก็มีมีผู้ปกครองอนุญาตนะมีบาทมีจีวรไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันมันไมน่มันร้ายแรงเช่นคือที่พระเจ้าห้าหมบว้นะเช่นโรคพาร์กินสันโรค กลากเกลื่อนนะโรคอะไรอีกหลายๆอย่างโรคลมบ้าหมูอย่างนี้เป็นต้นนะที่ <Okay. S 1> ห้ามอันนี้พูดคร่าวๆเฉยๆให้ฟังนะก็จะ <Okay. S 1> มีโรคบางโรคที่ห้ามมาบวชตี น, นี้พอเรามีคุณสมััติครบเราก็ต้องไปหาอุปชานะอุปชาอาจารย์ที่จะสามารถบวชให้เราได้นะอุปชาก็ถ้าโดยพุทธวจนะเนี่ยพระเจ้าพูดถึงบุคคลที่มีพรรษาสิบขึ้นไป นะไม่มีราคาไม่มีโทวสัไม่มีโมหะมีปัญหาสิบขึ้นไปเป็นอุปชาได้ในสมยัยปัจจุบันมาเทรัสมา ค, คมก็กําหนดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วก็ต้องให้บุคคลเหล่านั้นไปสอบสอบเสร็จแล้วก็ต้องถึงจะแต่งตั้งว่าคนนี้เป็นอุปชาเราก็ต้องไปหาบุคคลนี้บวชเอ า, อ า, าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราทําเราก็จะไม่ได้รับการยอมรับเป็นต้นอนะนะมันจะเขาอาจจะกล่าวหาต่างๆแล้วก็อ่ารีกเรียกแล้วกันอะไรที่มันถูกและดีเราก็ทํำ ทีนี้พอบวชแล้วนะัในช่วงปรรษาเนี่ยผู้ชาก็ให้อยู่เป็นที่นะอย่าหลีกนี้ไปนะคือถ้าหลีกนี้ไปมีกิจจาเป็นจริงๆเช่นว่าพ่อป่วยแม่ป่วยนะหรือว่าตนเองคลั่งครั่งที่จะศึกอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้นะหรือว่ามีกิจที่มีความสาคัญจริงๆเนี่ยก็ไปได้ไม่เกิน7วันทีนี้สําหรับพระใหม่ที่ที่บวชมาในปรรษาเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวหลายอย่าง มีพูดถึงเรื่องพระพระนิดหนึ่งนะคุณทนายจะยกให้เป็นเรื่องของพระนะเจ้าคะโดยเขาเรียกว่าโดยมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากพระอาจารย์ไพบูลนะเจ้าค่ะจะเผื่อว่ามีพระที่ฟังรายการนี้จะได้ประโยชน์เต็มที่จากการที่ตัวเองมาบวชในในช่วงพรรษาเจ้าค่ะและเพราะว่าสักคนใดคนหนึ่งจะหาเวลาสามเดือนนี่มันยากนะเราไม่ต้องพูดถึงสาวอาทิตย์นะ เราไม่ได้พูดถึงว่าคุณบวชเจวันบวชห้าวันอย่างงี้น ะ, ค, ะคือบางที่นี่เขาไม่รับเลยในที่วัดป่าเราไหนโศกสิบห้าวันนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรับเลยอืมเันก็ต้องเป็นเดือนเป็นพรรษานขึ้นไปคทีนี้เราก็จะบวชรับเฉพาะในช่วงพรรษาล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสละมาแล้วอย่างน้อย3ามเดือนเนี่ยหรือว่าอย่างท่านผู้ฟังก็ตามไม่ได้บวชก็ตามเนี่ยอยู่บ้านเราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างน้อยชีวิตเราขอให้มันดีขึ้นมาได้ไมา3เดือนเนี่ย สมเดือนเนี่ยมันเป็นเวลาที่เป็นน้ำเป็นเนื้อนะทำอะไรได้ได้หลายหลายอย่างเหมือนกันนะอ่านหนังสือจบเป็นเล่มๆนะกูเดิใจนี่บอกว่ า, อ, าออกกําลังนี้ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงลดน้ําหนักได้เป็นสิบสิบโลนะเพราะน<ม>ั่นหายว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงสามเดือนเนี้คุณจะทํำยังไงนะพระเจ้าวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไงตรงนี้เราเราพูดรวมไปถึงทั้งคราบบัตทั้งพระด้วยนะจุคาซึ่งถ้าพูดถึงถึงพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องศีลแหละ ศีลคุณต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่มีคุณไม่ใช่พระนะก็จะ ว, วัดว่าคุณเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ยวัดที่ศีล น, นะถ้าคุณมีศีลคุณมีพระไ ม, ไม่ผิดบาริชิสข้อนะคือพวกรักขโมยของนะฆ่ามนุษย์นะเสพเมทุนแล้วก็อุดอุตริมรุสธรรมนะแล้วก็สังฆาทิเศษอีกสิข้อนี่คือศีลที่เวลาบวชมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นอุปชายคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องสอน แล้วก็มีข้อปฏิบัติ4ี่อย่างนะคุณต้องไปบิณฑบาตนะคุณต้องอยู่ในเซนสนสเนตป่านะคุณต้องกินยาดองนะ้ํามุดเน่านะคุณต้องนุ่งผมผ้าบางสกุล น, นะแต่ถ้าจะมีคนเขาเอากระบดีจีวัมาถวายก็รับได้นะอยู่ในวิหารก็อยู่ได้นะอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นกรรียากิจสีท่ที่ที่สามารถทําได้อันนี้อาจารย์จะต้องสอนต้องบอกอทีนี้ข้อควรระวังสําหรับพวกภิกษุใหม่เนี่ย ก็คือพระเจ้าพูดถึงสี่อย่าง น, านี้เป็นอุปมาอุปไมยเรียบร้อยคือหนึ่งระวังปลาฉลามสองระวังจระเข้สามระวังคลื่นแล้วก็สี่ระวังน้ําวนเจ้าค่ะรุนเ<น>ป็นอักษรธรรมทั้งนั้นเลยค่ะใช่ใชอันแรกอันแรกเลยเจ้าค่ะอันแรกคือปลาฉลามกนะ่อนปลาฉลามปลาฉลามคือปลาร้ายนะปลาร้ายเนี่ย พ, พระเจ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะคือมาตุขามเพศตรงข่ามากันเถอะ เพราะว่าเราประรุษพรหมจรรย์แล้วหลายหลายคนที่สึกเอาไปนั่นก็เพราะว่าเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นต้องระวังภัยในเรื่องนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะอันที่สองคือจระเข้จระเข้เนี่ยคือเปรียบเทียบเหมือนกับการกินการการขบการฉันเท่านั้นเองนั่นคื อ, อบวชเป็นพระแล้วเนี่ยมันกินวันละมือกินมันละมือเท่านั้นเองตามสิง่งกินมันละมือเพราะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้กินตามที่เราเคยได้กิน อของที่เราเคยได้กินเราก็ไม่ได้กินเวลาที่เราเคยได้กินเราก็ไม่ได้กินเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงจะจึงจะเป็นความลําบากที่ท่านจะต้องเจอสําหรับพระที่บวชใหม่หรือรงองค์บวชมาปีสองปีแล้วยังไม่คุ้นเลยด้วยซ้มเจ้าค่ะอ่ะพาพรยที่เกิดจากจระเข้นี่คือเรื่องปากทองท่านเองนะอันนี้คือเรื่องของการที่จะอดได้หรือไม่ได้การที่เราต้องเป็นพระภิกษุใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เอออันนี้ควรกินอันนี้ไม่ควรกิน อันนี้ขอได้อันนี้ไม่ควรขอเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นฉันเคยกินฉันเคยดื่มมาเอ้ยยากเหลือเกินเิกเริ่ทําไม่ได้ขด่ะภาษาอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อืมอันนี้คือเรียกว่าถูกภัยพระจระเคถูกจระเขคฆ่าไปกินอืมเจ้าค่ะอันดับที่อันดับที่สองคือเรื่องของคลื่นคลื่นเนี่ยพระเจ้าพูดถึงคลื่นที่สามแล้วเจ้าค่ะขอดแฟนผู้หญิงใช่ใช่คลื่นคลื่นนี่ก็คือความโกรธ ความโกรธเนี่ยเป็นยังไงก็คือจะมพพะีพระพี่เลี้ยงมาเกแต่นะก็จะมาคอยบอกว่าเธอต้องห่มจีวรอย่างนี้นะเธอต้องเดินอย่างนี้นะถือแบบเธอต้องทําอย่างนี้นะเธอต้องพูดอย่างนี้นะเธอต้องก้าวย่างอย่างนี้นะอันนี้ทําได้นะต้องกราบให้ยอย่างนี้นะต้องทํากิจเวลานี้นะเวลานี้ห้ามทํำนี้โอ้ยทำให้มีความโกรธขึ้นอนะคือบาง<จ>คนเนี่ยอายุมากแล้วมาบวชใช่ไหมาาอายุมากแล้วมาบวชเนี่ยคน คนรุ่นลูกฉันเนี่ยมาบอกให้ฉันทําอย่างนั้นอย่างนี้เหรออย่างงี้<ๆ>บางคนบวชมาสิพรรษาแล้วยังหนุ่มอยู่บวชมาตั้งแต่อายุ 20, ยีเนี่ยอายุเพ<ๆ>ิ่ง30สิบกว่าเองแนะมาสั่งให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ไอคนที่บวชหม่อายุสี่สิบ50้าสิบแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบมีทิฐิขึ้นมาก็อันนี้แสดงว่าถูกคลื่นซัดไปแล้วนะมี<ๆ>ความโกรธเกิดขึ้นนะก็เลยก็เลยไม่สามารถที่จะรับคําตักเตือนได้นะทีนี้ภัยเรื่องของน้ำบวน น้ำวนคืออะไรนะคือกามคุญทั้งห้านะกรมคุญทั้งห้านี่คือหมายความว่า เ, เรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นและกายนะห้าอย่างนะคือคิดถึงสมบัติเก่าๆเน่ยที่เราได้เคยคิดถึงเนะี่ยสมมติเราไปบินบาตในบ้านพระเจ้าอยู่ตัวอย่างไปบินดารในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคุณเดินไปโอ้เห็น เขามีจักรยานเขามีรถเก๋งเขามีความสุขเล่นกับลูกกับเมียเขาเราก็ไปนึกถึงอะไที่เราเคยมีมาโอ้ยเราก็อยากบ้างนะนี่ถูกดัมมวนดูดไปแล้วอืเจ้าค่ะนี่คือภัยสี่อย่างที่ต้องระวังมากๆเลยสําหรับสําหรับพระใหม่อืมนั่นคือต้องระวังสี่ประการนี้นะเจ้าค่ะใช่ในช่วงห้าหนึ่งก็คือเจ้าค่ะอะในช่วงห้าปีแรกเนี่ยต้องระวังสี่ตัวนี้อันดับแรกคือเรื่องปลาฉลาม คมีทั้งหลายเลยสิการเนี่ยใช่ใช่อันนี้ตัวดีเลยต่ระวังให้ดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยรายมากแต่สําหรับพระใหม่ะสําหรับพระใหม่นี่โทรศัพท์นี่ไม่ควรมีเลยคือโยนทิ้งไปเลยห้ามเลยคเดี๋ยวสีการจะโทรมาตามนู่นวีกูดนะเจ้าค่ะแล้วเสี่ยงต่อการผิดศีลมากๆด้วยเสี่ยงต่อการผิดศีลเพราะว่าถ้าคุยเกี่ยวภารษีกันกลายเป็นผิดศีลไปเนี่ยตัวเองก็จะร้อนรนละไม่สมายประพฤติพรหมจรรย์ได้เป็นบาปอีกต่างหากบาปมากด้วยเจ้าค่ะ อย่างที่สองก็คือเรื่องของจระเข้จระเข้คือเรื่องปากท้องเรื่องปากท้องตัวนี้นิดนึงเลยคุณตื่นใจเพราะว่ามันแก้ได้ง่ายๆอย่างเรื่องของปลาฉลามนี่คือเราอย่าไปลงน้ําลึกแก้ได้ง่ายๆเลยปลามันขึ้นมาน้ําตื้นไม่ได้คุณตื่นใจไหมคือคือเราก็คืออย่าไปติดต่อพูดคุยแต่ถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลของเราเนี่ยศีลเราจะรักษาเราเรารักษาศีลแล้วศีลจะรักษาเรา อืเพราะฉ<ต>ะนั้นถ้าถ้าไม่ว่าสักใครก็ตามเลยเป็นคาราวาสหรือเป็นข้อรหัสหรือเป็นบรญชีก็ตามเนี่ยถ้ารักษาศีลแล้วศีลจะรักษาเราศีลเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมามาแพร่ผ่านได้อย่างคนที่รักษาศีลข้อที่สามในคาราวาสได้ไงเนี่ยนะไม่เพิ่มเพื่อปิดในกามนะหรือว่าไม่ อ่าคือสําหรับคารวาสอ่ะนะก็ไม่ปเป็นรูปยืนในการมเพราะถ้าเราเป็นคนอย่างนี้อยู่เป็นประจําเนี่ยชื่อเสียงเรากระจายไปแล้วว่าเราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยต่อให้มันมีเหตุการณ์อะไรล่อแหลมที่อาจจะผิดพลาดได้ปุ๊บชื่อเสียงเรากระจายไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถตรงเนี้ยสีนจะสามารถรักษาเราได้เจ้ค <Okay. S 1> นะ่ะในเช่นเดียวกันกันกบพระสงฆนะ์ถ้าคุณเลิกไอ้สิ่งที่มาเครื่องมือที่เป็นช่องทางให้มานเข้านะาปิดกั้นซะนะก็คืออย่าไปหลงน้ําลึอดกนันนั่นเองง่ายที่สุดเจ้าค่ะ okay. ในเรื่อง <Okay. S 1> ของของปากท้องนั้นะก็คือเคี่ยวให้ละเอียดละเอียด นั่งกินอย่างพอประมาณนั่งกินอย่างพอประมาณเนี่ยมันมีวิธียังไงพระเจ้าเคยแนะนําไว้ว่า่รับประทานแล้วเนี่ยให้ยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างเข้าใจไหมคือเป็นผู้ที่ยินดีในท้องอันร่องอยู่เสมอใช่ค่ะนะคือถ้าท้องเรามีช่องว่างเหลืออยู่บ้างเนี่ยนะการย่อยของเราจะมีประสิทธิภาพมากคุณเดินใจอืแล้วพอการย่อยของเรามีประสิทธิภาพมากเนี่ยเราไม่ต้องใช้พลังงานมากในการย่อยนั่นคือพลังงานทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ย ใช้ไปในการย่อยเนี่ยเป็นลําดับที่สองเลยนะคืออันดับแรกไนดะ้ไปกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับปเภทตรงข้ามนะอันดับที่สองที่ร่างกายของเราจะใช้พลังงานมากที่สุดเนี่ยคือการย่อยอาหารแต่เพราะฉะนั้นการย่อยอาหารเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะใช้พลังงานมากที่สุดสําหรับพระสงฆ <Okay. S 1> นะ์เพราะนั้นถ้าเราควบคุมปริมาณพลังงานที่ใช้ในการย่อยได้ด้วยการกินอย่างพอประมาณน้อยนอยน้อย น, อ ย, นอยนี่หมายความว่ากินแล้วยังมีช่องเหลืออยู่ในท้องเนี่ย ประสิทธิภาพในการย่อยเราจะสูงเราจะไม่ใช้พลังงานมากพลังงานที่ได้มาจากอาหารเนี่ยจะเพียงพอต่อร่างกายไมห่หิวในตอนข้ามได้อื ค, คือที่เราหิวเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันต้องการพลังงานเนี่ยต้องการอาหารมันก็เลยทําให้ปล่อยสารฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกหิวนะอตอนให้ใ<ช>ท้องคุ ณ, คณ<ๆ>ยังมีอาหารอยู่อย่างเงี้ยลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่ยังมีอาหารอยู่มันก็ยังหิวได้นะคือหิวเนี่ยหมายความว่าเรารู้สึก ม, มันต้องกินนะ่ะมันต้องกินนะ่ะ ่กินอะไรสักอย่างหนึ่งท้องมันกรวกล้า่กรวดก้า่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่เพราะว่าเรากินไม่พอนะคือเรากินมากเกินไปแต่ให้ประสิทธิภาพในการย่อยมันน้อยอืมเจ้าค่ะคือไปใช้พลังงานย่อยอาหารที่มันเต็มอัดแน่นท้องไว้ใช่ใช่เจ้าค่ะก็เกิดหิวขึ้นมาไม่ว่ายังจะมีอาหารอยู่นะเจ้าค่ะใช่แล้วอาหารที่คงค้างอยู่ในนี้น่ะย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เป็นพิษไงยิ่งทําให้เราเหนื่อยทำให้เราซึมทำให้เราตัวหนักทําอะไรไม่ได้ เพราะนั้นพรเจ้าจึงแนะนําว่าให้เป็นผู้ที่โพชเนมตันตยุตาคือรับประทานอาหารพอประมาณค <c oughs> นะพอประมาณในที่นี้นนย้ำอีกครั้งหนึ่งหมายถึงว่ายังมีท้องช่องว่างเหลืออยู่ในท้องบ้างหลังจากที่คุณพอกิน เ, กเสร็จคําสุดท้ายแล้วค่ะท <c oughs> ีนี้ทำให้บางคนคิดว่าเอางั้นก็กินไม่อิ่มแล้วจะทำไงอะ่ะเจค่ะคนหลายคนต้องแย้งตรงนี้เจ้าค่ะว่านี่ไงเราต้องเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดไงไอ้คำที่คุณกินเข้าไปแล้วเนี่นะที่มันใส่เข้าไปในท้องแล้วยัง ยังไม่เต็มเนี่ยต้องเคี่ยวให้ละเอียดละเอียดในละเอียดละเอียดเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของการย่อยของเราเนี่ยได้ดีนะเราก็นนะาใช่เพราะว่า อ, อย่างอย่างไอเอนไซม์ที่ย่อยย่อยแป้งอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> มันไม่มีในกระเพาะนะในกระเพาะเราไม่มีน้ําย่อยที่จะย่อยแป้งได้มันไม่ออกมาจากท้องแต่มันอยู่ในน้ํำลายน้ําย่อยที่จะย่อยแป้งย่อยข้าวได้พวกนี้อยู่ในน้ํำลายเพราะฉะนั้นถ้าเรากลีนน้าลายลงไปเนี่ย เรากินข้าวเคี้ยวเคยวข้า ว, า ว, า ว, าวละเลอียดละเอียดเนี่ยกลือน้ำลาลงไปเนี่ยไอ้พวกนั้นน่นจะเป็นน้ําย่อยที่ย่อยแปลงได้นะคะคือถ้าเราเคี้ยวสองสามคำแล้วเกลืนข้าวลางไปเลยเนี่ยไอ้ข้าวพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีน้ําย่อยเพียงพอที่จะย่อยมันได้ทําให้มันไม่เป็นพลังงานที่ทำให้ร่างกายเราอยู่ได้ตอนบ่ายางไงอืมเ จ, จ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นประโยชน์ต่อพระใหม่นะจ๊ะค่ะใช่รวมทั้งคารวาที่ต้องอ่าที่ต้องการลดความอ้วนด้วยจะดีมากๆ เจ้าคค่ะต้องทานเคี้ยวจะช้านะเจ้าค่ะเคี้ยวละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดแล้วก็กินลงไปอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระเจ้าทําด้วยนะพระองค์มีคนเคยไปสังเกตพระเจ้านะว่ากินข้าวยังไงนั่งยังไงไปบ้านยังไงออกมายังไงเนี่ยมีคนข้อสังเกตที่มานพคนหนึ่งในมนพสิบหกองเนี่ยเขาไปสังเกตพระพุเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเวลากินข้าวเนี่ยนะเคี้ยวข้าวในปากเนี่ยจะกลับสองสามกลับแล้วเคี้ยว เคี้ยวสองสามครั้งแล้วกลับอีกนะเขาพูดประมาณนี้ <caf. S 1> นะคือมีการกลับคําข้าวเคี้ยวอยู่เรื่อยๆ<ม>แล้วเยื่อข้าวเนี่ยที่ไม่ได้รับการ ข, ข, าร บ, าร ข, าขบให้แตกเนี่ยจะไม่มีการกลืนเข้าไปในท้อง <million>. อืมเจ้าค่ะคือหมายถึงอาหารที่ข้าวที่กลืนเข้าไปในท้องทุกคําเนี่ยเยื่อข้าวเนี่ยจะแตกออกแล้วเยื่อข้าวเนี่ยหมายถึงสมัย ก, ก, ก่อนเขาก็จะไม่ได้สีข้าวแบบแบบที่เราสี <screwed. S 1> นะมันจะจ <fast S 2> มันจะไม่สะอาดอย่างนี้มันก็จะมีลักษณะข้าวกล้องอะ<ๆ>นะเจ้าค่ะมันก็จะมีอะไรที่หุ้ม จมูกข้าวที่ยังคุ้มตัวข้าวอยู่พวกนั้นจะได้รับการขบให้แตกหมดคือเคี้ยวละเอียดพูดงั้นเถอะโจค่ะบริษัทเราทําอย่างนั้นเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะร่างกายเราก็ไปได้นี่คือเรื่องของจระเคนะโจค่ะเรื่องของคลื่นก็คืออย่างที่3คือคลื่นนะสามอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องว่าไอ้ความโกรธความโกรธนะความโกรธเนี่ยเราแก้ไขได้ด้วยการที่ให้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่าย ยอมรับคำตักเตือนโดยนะความหนักแน่นนะให้ยอมรับความตักเตือนด้วยความหนักแน่นคำตักเตือนต่างๆนะเรายอมรับเราบวชมาใหม่ให้เป็นผู้ที่บอกง่ายสอนง่ายบวชมาไม่ใช่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาแล้วถค่ะถ้าคุณมีศรัทธาแล้วเนี่ยคุณจะได้อะไรหรือไม่ได้เนี่นะมันอยู่ที่ตรงนี้เองถ้าถ้าเขาดูว่าเอ้ยคนนี้สอนยากเว้ยสอนยากเขาไม่สอนอะ อืมเจ้าค่ะสอนยากก็ไม่สอนก็เอาเท่าที่คุณได้เั้นเวลาที่เราได้มาเราก็จะเสียเปล่าๆเลยเจ้ค่ะนะในเป็นช่วงที่เราบวชอยู่นะเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้ดีขึ้นเลยเสียเวลาเปล่าๆเจ้ค่ะนะแล้วก็ทําให้คุณธรรมเราไม่ขึ้นคุณธรรมเราตกลงไปเจ้ค่ะคนที่เป็นสอนง่ายเนี่ยคนที่สอนง่ายเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะจะสามารถทําให้รู้คุณธรวิเศษที่ยังไม่รู้ได้สามารถที่ทําให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมที่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้ สามารถที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับให้เป็นหม้อที่ยังดิบอยู่อ่ะดินที่มันนุ่มๆอ่ะกดปั้นเป็นรูปได้เหมือนดินน้ํามันอย่างเงี้ยอืมคพอเอาไปเผาแล้วอบแล้วถึงจะเป็นแข็งขึ้นมาอย่างนี้ถูกต้องนะั ค, คือตอนนี้เรายังเป็นพระใหม่อยู่เพิ่งบวชอยู่นะเราก็จะต้องให้ให้เป็นคนบอกง่ายสอนง่ายว่า ง, ง่ายสอนง่ายนะเ ช, ชื่อฟังฟังคําตักเตือนด้วยความครบหนักแน่นพระพุทธเจ้าอย่า ง, างนี้ ก็คือเป็นไม้อ่อนดัดง่ายว่าอย่างนั้นเถอะนะคะใช่ใช่ให้ทําตัวเป็นคนมีเป็นไม้อ่อนเจ้าค่ะท่นี้ประการสุดท้ายเจ้าค่ะคือน้ำบ่นน้ําบนนะเจ้าค่ะน้ำบนคือเรื่องของเอ่อการความคิดทางการคือตาตาหูจมูกลิ้นกายนะที่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขอย่างนั้นชีวิตเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อเอาแค่สามเดือนเรารักษาให้ได้ก่อนไหม เพราะฉะนั้นในช่วงสเดือนที่ระบวชนี้หรือว่านับวินาทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องคิดถึง3เดือนหรือกี่ปีหรอกเอาแค่เป็ น, นวินาทีนี้เนี่ยพระเจ้าแนะนําให้เป็นผู้สำรวมอินทรีย์คุณเตือนใจสำรวมอินทรีย์เนี่ยหมายถึงว่าเห็นรูปด้วยตาก็ไม่ไหลไปตามนะไม่ไหลไปตามทั้งโดยโดยส่วนเดียวหรือว่าโดยรวมทั้งหมดหมายถึงโดยส่วนเดียวสมมติเราเห็นสิ่งใดสวยงามอย่างเงี้ยถ้าเรา ดูรถยนต์กันหนึ่งเป็นต้นนะโอ้ดูสัดสรงทั้งหมดของรถนี่มันสวยงามจริงๆเลยดูออกมาแล้วเลิศหรูอลังการอันนี้ก็คือว่าลักษณะของโดยรวมทั้งหมดแต่ถ้าดูแยกเป็นส่วนๆก็คือว่าดูแยกว่าเออประตูนี่โองามนะมือเปิดประตูงามนะไฟท้ายงามนะตรงนี้คือดูแยกเป็นส่วนๆนะสันนิพนธเพราะฉะนั้นคือเราไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปตามสิ่งที่ทั้งดูแยกเป็นส่วนๆหรือว่าดูโดยรวมทั้งหมด น, นะลักษณะนี้คือการสํารวมอินทรีย์ Z. พูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนเต่าเนี่ยหดหัวไว้ในกระดองอะ่ะ <Okay. S 1> ไม่ให้กระดองอวัยวะของเราเนี่ยมีหูหัวขาสีข้างแล้วก็หางเนี่ยหลุดลอดออกไปจากกระดองนั่นก็จะเป็นปู๋ที่ปลอดภัยจากสุนัขกิ้งจอกสุนัขกิ้งจอกมันจะมาคอยช่องอยู่ว่าเมื่อไหร่เต่าเนี่ยมันจะโผล่อวัยวะใดอันหนึ่งออกมาก็จะฉุดคร่ามออกมากินแตถ้าเราไม่สํารวมตามหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นได้ยินสิ่งใดแล้วก็ไหลไปตามคุณถูกมารเอาไปกินแล้ว ถ้าคุณถูกมานอะวไปกินแล้วคุณเสร็จแน่นอนอจจะไม่รักษามารักษ า, รกษาพรหมจรรย์อยู่ได้อันนี้รวมพูดถึงคารวะด้วยนะว่านะว่าคารวะที่ อ, อลุ่มหลงไหลไปตามสิ่งที่มายโยวยนเนะรู้ว่าเวลานี้ควรทําอันนี้แต่ว่าทําไม่ได้รู้ว่าอันนี้ไม่ควรกินแล้วแต่ก็ยังกินรู้ว่าเวลานี้เป็นควรออกกําลังกายแล้วแต่ก็ไม่ทํารู้ว่าเวลานี้ควรที่จะขยันทํางานแต่ก็ไม่ทําไปหาเล่นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้เพราะว่าคุณไม่สํารวมอินทรีย์ อันตรายมากเราต้องสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลาจุคอันนี่คือทั้งปัญหาและทางแก้นะที่จะเกิดขึ้นกับกับพระใหม่จุคแล้วก็ถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ที่บอกง่้ยสอนงาย น, น, นี่เเรื่องสาคัญมากจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ในธรรมวินัย น, นี้มากแม้ตัวมาเองนะบทมาก็ภาษานี้ภาษาที่7จ็ดเนี่ยน ะ, <จ>ะก็ยังมีเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาไปอีกมากทีเดียวนะคำสอนพระเจ้าต่างๆแล้วว่าเราอ่านมาเยอะก็ยังไม่โหมดอยู่ดี S <S <S เราเห็นแง่มุมก็ยังไม่หมดอยู่ดีนะเรื่องที่อ่านไปแล้วอ่านซ้ํามันได้แง่มุมเพิ่มเติมนะคำสอนพระเจ้าที่เราเรียนมารู้มาไปผนวกกับเรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องใหม่แม็กอีกโอ้โหดีมากเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเราพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาเป็นคนบอกง่ายสอนง่ายอันนี้จะดีมากจะทําให้าการประพฤติพรหมจรรย์ของเราดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเจ้ า, าค่ะอสาธุเจ้ค่ะอันนั้ก็เป็นคําแนะนํา จากพระอาจารย์ไพบุณอภิปุ โ, โนนะเจ้าคะ่ะซึ่งก็เป็นผู้ที่บวชเรียนในช่วงของเข้าพรรษาเช่นเดียวกันนะเจ้าคะ่ะยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพระใหม่หรือพระนวากาทั้งหลายที่ท่านตั้งใจที่จะบวชหรือว่าได้บวชแล้วก็ตามนะคะในช่วงเข้าพรรษานี้ก็มีเวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสักสองนาทีเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะ พระอาจารย์มีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไม่เจ้าคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนทนากันในวันนี้นิมลเลยเจ้าคะ่ะก็จะพูดถึงเรื่องที่คนที่ได้ตั้งความตั้งใจเอาไว้ว่าในช่วงนี้เราจะทำความดีอะไรนะแล้วก็ยังรวมถึงคนที่บวช ด, ด้วยนะพระ <c oughs> ที่บวชใหม่หรือว่าพระที่บวชมาแล้วอาจจะได้ฟังรายการนี้อยู่เนี่ย ท, ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> ในเรื่องของการประพฤติพรหมจรย์ อันนี้คือมาพูดรวมนะคำว่าประพฤติสพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงคนที่บวชแล้วก็ได้หรือว่าคนที่ตั้งใจว่าฉันจะทําสิ่งนี้ในช่วงภาษานี้หรือว่าถ้ายังไม่ได้ตั้งใจก็ตั้งใจซะถ้ายังไม่ได้ตั้งเป้าก็ตั้งเป้าซะตั้งเป้าตั้งใจแล้วนะเราพยายามทํำการตั้งใจตั้งใจตั้งเป้าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้เจอปัญหาใดใดน่ะคุณเตือนใจเราจะไม่สามารถตั้งใจได้คือเราเจอปัญหาสักอย่างหนึ่งนี่ ทำใหเราต้องตั้งใจเราว่าเราจะแก้มันยังไงแต่นะ <Okay. S 1> จิตตรงนี้เป็นจิตที่ดีแตนะคือถ้าเราไม่เจอปัญหาใดๆเลยโอ้ยหลอแหลกเหยาะแะย่ยไปหมดจิตเราไม่ได้รับการตั้งไว้อย่างดีไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างปัญหาขึ้นมาคือหมายความว่าเราจึงต้องตั้งใจเผชิญหน้าแก้ปัญหานั่นะอย่างที่บอกไปแล้เราพยายามจะเผชิญหน้าแก้ปัญหาปุ๊บจิตเราจะตั้งไว้อย่างดีล่ะแล้แลเราต้องรวบรวมสติสัมปชัญญะมาคิดการอ่านการงานว่าเราจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ตั้งใจตรงนี้เราไม่ต้องคิดเลยว่าฉันจะ ทำไปอีกนานเท่าไหร่เอาแค่วันนี้ก่อนเอาวันนี้เอาไม่ต้องวันนี้เลย <Okay. S 1> ไม่ต้องถึงว่าวันนี้ต่อไปจะทําอะไรเอาเดี๋ยวนี้ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้คุณทําได้ไหม <Okay. S 1> เอาแค่เดี๋ยวนี้เอาวินาทีนี้วินาทีเดียวไม่ต้องคิดว่าจะบวชไปอีกนานกี่ปีหรือกี่เดือนไม่ต้องคิดยกลงไปก่อนเลยไม่ต้องคิดว่า IV ไอ้ที่ฉันตั้งใจไว้ว่าจะทําอย่างนี้เนี่ยจะทำแค่ภาษาหรือออกภาษาจะทําต่อไหมเอายกไปก่อนเลยเอาวินาทีนี้เอาเดี๋ยวนี้คุณทําได้ไหมคุณทําได้คุณทํำคุณรักษาจิตของเราไว้ให้ดีเราจะ ทำไปได้เรื่อยวินาทีนี้เป็นวินาทีที่จะสนับสนุนวินาทีต่อไปให้ดีขึ้นเจ้า <N 1. S 2> ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คืออยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดใช่ก็เพื่อว่าเราทําดีที่สุดตรงนี้ปัจจุบันนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะเป็นอดีตต่อไปซึ่งก็คือดีแล้วก็ข้างหน้าในอนาคตก็ดีไปด้วยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวต่อส า, าทูเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจากอพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโน พระอาจารย์ท่านผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปรีกเล้นตามพุทธโอษฐปิดวาจาของวัดปาดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งก็คิดว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พบูลพิพุโนนั้นคงจะทราบกันดีแหะคะ่ะวันนี้เรามีพระเดชพระคูห ล, ลงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะและถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดอยากที่จะไปถือศีล ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสมาธิต่างๆที่เคร่งมากๆแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่มาจากพุทธโอษฐ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็เข้าไปที่เว็บไซต์ p e ีย t h a ร m a .com นะคะซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่จะบอกตารางไว้เลยว่าทางวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยมีหลักสูตรที่พระอาจารย์พิบูลิพุโนท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการเนี่ย อบรมในด้านของการปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกเดือนเป็นประจําช่วงไหนกันบ้างนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญให้ท่านได้ไปในช่วงเข้าพรรษานี่ก็มีเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราต้องลากันแล้วละค่ะคงจะต้องกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้า ว, วันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์นะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะก็ครบแปพรรษาในปีนี้นะคะแล้ว เราก็จะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระคุณของคุณแม่มาพูดคุยกันในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเช้าวันนี้เรามากราบน้ำมัสการขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาพระอาจารย์ไพบุลอภิปุโนโเพียงแค่นี้นะคะกราบน้มัสการขอบพระคุณและกราบน้มัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเชิญพานสาธุเจ้าค่ะ